ไม่ใช่แค่อดกลั้นแต่เป็นอดทนอดกลั้นนี่มันบางทีมันยังต้องแงขนาดหนึง่งแต่อดท น, นนี่มันยิ่งกว่าเข้าไปอีกนะอดกลั้นนี่มันยังแค่กั้นเอาไว้อ่าแต่อดทน น, น, น, นี่มันทั้งโอ้โ ห, โหไม่ใช่แค่อดต้องทนให้ได้ด้วยไม่ใช่แค่กลั้นไว้กลั้นเนี่ยเหมือนกับเรากั้นหราไม่ใจเนี่ยมันจะได้ระยะหนึ่งใช่ไหมแต่ทน น, น, นี่มันต้องยาวกว่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะได้ยาวมากขึ้นเนี่ย มันเกิดจากการผสมเล็กผ <S AR C AL> ส ม, สมน้อยใช่ไหมคุณอดกั้นได้คุณผสมอดกั้นเข้าอดกัดก้นเข้าอดกั้นเข้าอดกั้นเข้าอดกั้นเข้าอดกั้นมากๆเข้ามัน <S <S <AR C AL> ก็จะอดทนได้เพราะเนี่ยการที่เราเหนี่ยวรัง้งเหนี่ยวรั้งตัวเองเหนียวรัง้งใจ เ, เราเหนี่ยวรัง้งเหนี่ยวรั้งเหนี่ยวรั้งนะเนี่ยเอาความเหนี่ยวรั้งเนี่ยเพิ่มความอดทนพราะเนี่ยคุณเหนี่ยวรัง้งหรือคุณอดกั้นไว้ได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นความอดทนคุณจะสูงขึ้นเลยความอดทนคุณจะสูงขึ้นเลยแล้วเมื่อเนี่ย เอาความอดทนเนี่ยมาเพิ่มธรรมะธรรมะเนี่มันเป็นคำรวมหรือพ่อท่านเคยแปลว่าธรรมะเนี่ยก็คือการทรงเอาไว้ทรนะงเอาไว้หรือว่าทาได้แบบเป็นความมั่นคงหรือเป็นสมาธิเนี่ยเป็นตัวมั่นตั้งมั่นสมาธินี่คือความตั้งมั่นเป็นตัวตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณยิ่งอดทนได้เท่าไหร่เนี่ยมาเพิ่มธรรมะหมายถึง ก็ยิ่งเพิ่มความตั้งมั่นของคุณได้ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครยิ่งอดทนได้เก่งยิ่งอดทนได้เก่งอดทนในด้านดีนะไม่ใช่อดทนแบบบิดาทิฏฐินะต้องอดทนแบบสัมมาทิฏฐิคุณยิ่งอดทนได้เท่าไหร่อดทนได้เท่าไหร่ความตั้งมั่นเนี่ยในในธรรมะในความดีในการที่จะเป็นมรรคผลของเรานะในการที่เราจะทรงทรงไว้ซึ่งมรรคผลของเรา โอ้โหก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบารมีของเราก็จะยิ่งแก่แกล้าขึ้นเรื่อยๆนะอันเนี้ยเอาธรรมะมาเพิ่มความรักพ่อแม่พี่น้องอันแรกเป็นพ่อแม่พี่น้องเพราะอะไรคราวนี้คุณยิ่งมีสมาธิคุณยิ่งมีความตั้งมัน่นนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไปกระทบไปเจอผัสสะโดนคนติคนว่า นะโดนเขาดา่าโดนเขาเบียดเบียนโดนเขาแกล้งโดนเขาจะทำร้ายเอาอะไรต่างต่างกันนะแ ต, คต่คุณจะไม่หมดเมตตาคุณจะไม่หมดเมตตามันจะมีตัวที่ก็ยังจะช่วยเหลือคนอื่นเขายังมีใจที่ยังยังอยากจะช่วยคนอื่นเขาเนี่ยเอาธรรมะเพิ่มความรักพ่อแม่พี่น้องก็คือมันจะเพิ่มมาเป็นเมตตา เพราะนคนที่อดทนได้คนที่ตั้งมั่นได้คนนั้นแหละจะช่วยคนอื่นได้ได้มากคนรอบข้างเนี่ยถูกไหมคุณไปทําอยู่ที่ไหนก็ตามคุณมีความอดทนได้อ่าแล้วคุณก็มีความตั้งมั่นได้มากขึ้นเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้มันก็ยิ่งทําให้คุณเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นไอ้ช่วยเหลือนั่นแหละมันก็คือความเมตตาคือความการุณาเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันก็ มันก็คือความรักคนรอบข้างเรานั่นเองพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวแล้วยิ่งถ้าใครทําได้อย่างเงี้ยทาได้คนรอบข้างเราเราก็ช่วยเหลือเราก็มีความตั้งมั่นมีความมีความอดทนมีความตั้งมั่นมีความเมตตาคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องได้เอาความรักพ่อแม่พี่ท้องเพิ่มให้คนทั่วไปมันก็ยิ่งขยายวงกว้างขึ้นนะนเนี่ยเนี่ยคือ อย่างของคริสเขาซึ่งเราอ่านม า, า, ม, ามาพูดในลักษณะของศาสนาพุทธนะซึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าคําสอนแบบนี้ดีไหมดีแต่ลึกซึ้งแค่ไหนนั่นก็เป็นเรื่องรายละเอียดละแต่ของพุทธก็จะต้องมีอย่างนี้เหมือนกันมีดีอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีรายละเอียดลึกเข้าไปอีกเพราะของพุทธเนี่ยถึงขั้นหมดตัวหมดตนรักจนกระทั่งหมดตัวหมดตนอย่างของคริสเขาก็ยังรักและในที่สุดก็ยังไป อยู่กับพระเจ้าก็ายังมีตัวตนที่เป็นพระเจ้าอยู่นะครับจะต่างกับพุทธตรงนี้ต่อจะจบอยู่แล้วนะ <c oughs> สละน้ําใจแม้เพียงเล็กน้อย <c oughs> ก็เป็นความเอื้ออาทรยิ่งใหญ่เป็นสายใยผูกพันใจแห่งมิตรภาพเป็นสื่อสร้างสรรค์ให้เกิดน้ําคำอันเป็นที่รักสมัครสมานกันซึ่งจะส่งผลให้ถึงน้ํามือ ที่จะร่วมประสานกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแล้วทั้งหมดจะผสมประสานเป็นน้ำประสานใจช่วยชุบจิตปัญ ญ, ญาให้เกิดพลังใจมหาศาลพลังใจที่ดีต้องมีน้ำใจดีน้ำใจที่ดีต้องมีกำลังใจดีเพราะมีภาษาอังกฤษด้วยนะบทความนี้ c u r e สร r o ต s t on lost แปลว่าหากหมดกําลังใจเมื่อใดก็เท่ากับหมดสิ้นไปทุกสิ่งนะอันนี้คือคือตอนจบซึ่งอันนี้จากบทความตอนนี้เนี่ยก็เน้นมาในเรื่องของความสมัครสมานความสามคัคคีความมีน้ําใจและเมื่ออยู่รวมกันต้องมีความอดทนต้องมีความอดกัน้นแล้วก็เน้นตรงที่เรียกว่าเมื่อคนดีมาอยู่ร่วมกันแล้ว ทำไมอ่ะต้องมาทะเลาะหรือว่าจะต้องมาไม่ชอบใจหรือมาแตกแยกซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นยิ่งถ้าได้ชื่อว่าคนดีเป็นคนมีาศาสนามาอยู่ร่วมกันแล้วมันต้องยิ่งดีสิไม่ใช่กลายเป็นทะเลาะหรือแตกแยกอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเอ่อในนี้มีอยู่แล้วในศาลาธรรม ใช่ไหมมีอยู่แล้วบรานความที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ตัวนําตัวแรกคือสาวริยธรรมเมตตาเขาที่แรกจะมาย้าไว้แล้วคือเรื่องของเมตตาเขาที่แล้วบอกถึงขั้นว่าต่อให้สมมติว่าสีหคุณยังไม่เข้าท่าก็ตามทิฏฐิคุณยังไม่เข้าท่าก็ตามแต่ถ้าเมตตาคุณสูงพอใช่ไหมเรามีความเอื้ออทอนอันยิ่งใหญ่ต่อกัน ไอ้ความผิดพลาดความอะไรต่างๆมันก็พอที่จะมาพูดคุยหรือพอที่จะหาทางมาตกลงมาแก้ไขกันได้การพูดจาการที่จะพยายามต่อรองตกลงทําความเข้าใจกันก็ยังจะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งหมดความเมตตาแล้วจบต่อให้ทํางานด้วยกันก็หันหลังให้กัน มันจะไม่ยอมหันหน้าเข้าหากันแล้วถ้าหันหน้าเข้าหากันก็แยกเขียวใส่กันฝนมันไม่ยิ้มให้กันหรือว่ามันไม่ไม่คิดที่จะพูดจากันประเด็นนี้อาตมาบอกแล้วนะพวกเรายังยังมีปัญหาประเด็นนี้อยู่มากแล้ไในที่สุดก็เลยกลายเป็นพวกเราเนี่ยนะถึงอาตมาพูดไปแล้วอะ่ะนะต้องทาดีท็อกให้มากขึ้น นะคืออะไรอะ่ะดีท็อกทางปากอะ่ะดีท็อกให้มากขึ้นคือหนะ้าหัดพูดดีให้มากขึ้นดีภาษาไทยทอกภาษาอังกฤษคือหัดพูดดีต่อกันเนี่ยให้มากขึ้นนะส่วนไอ้ที่จะพ่นพิษออกมาเนี่ยจะเที่ยวบอกว่าล้างพิษล้างพิษล้างพิษโดยเอาพ่นพิษใส่คนอื่นเขาไอ้นีนะเ่เขาไม่เรียกว่าล้างพิษนี่เขาเรียกว่าพ่นพิษนะเอาไว้เขาไม่เรียกว่าล้างพิษ เพราะนันถ้าสมมุติว่าโอ้โหเวลาจะตกลงเวลาจะคุยกันหรืออะไรพ่นพิษใส่กันพ่นพิษใส่กันเอ้าคุณนั่นไอ้นั่นก็ได้พิษจากเราไอ้เราก็ได้พิษจากเขาอย่างนี้มันเพิ่มพิษต่างคนต่างเพิ่มพิษให้กันเอ้าอย่างนี้ก็เสร็จที่มันจะไปสามัคคีมันจะไปปรองดองอะไรกันได้หรือมันทําไม่ได้เลยแล้วพวกเราเนี่ยยังพลาดเรื่องเนี้บ่อยมากเลย เพราะเราเนี่ยเวลาเราพูดจาเวลาคือบางคนก็พูดจาเพราะดีนะแต่ลีลาหน้าตาทา่าทางแหมมั น, มนคำพูดนะเพราะคือคำพูดไม่ได้หยาบคำพูดอาจจะไม่ได้รุนแรงแต่บางทีลีลาทา่าทางหน้าตาก็ต้องหลับตาฟังอะ่ะถ้า่างนั้นถึงจะไม่มีปัญหาถ้าเปิดตาฟังอยู่แล้วมีปัญหาบางคนอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่รู้เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ เพราะมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าเวลาพูดไปมันก็ไม่มีกระจกสองหน้าตัวเองบางคนไม่รู้มีวิบากอะไรโอ้บางทีนะธรรมาเห็นบางคนเขาพูดเอ๊ะเขาก็าพูดดีเนี่ยเขาก็มีเหตุผลน่ะแต่มันมีวิบากกับกับคู่กรณีนะที่ไม่รู้คู่กรณีก็ไปสะสมอะไรมาก็าไม่ชอบกี้หน้าแบบนี้เลยเออพอเขาอาปากพูดอย่างเงี้ยบางทีเอ๊ะธรรมาก็าเขาก็พูดเหตุผลดีนะแต่ ไอคู่กรณีนี่ครับเอาละเริ่มหงุดหงิดเริ่มลำคาญเริ่มไม่ชอบใจเลยละ่ะก็ไม่รู้ไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกันมาก็ไม่รู้แต่คนที่ไม่มีวิบากในทํานองอย่างนี้ใช่ไหมเออปร า, ากฏว่าไปเจอหน้าอย่างงี้พูดอย่างนี้บางทีก็นึกขำๆด้วยซ้ำไปเออตลกดีเนะีหน้าอย่างนี้ <laughs> แทนที่จะโกรธเกลียดจะไม่โกรธเกลียดเลยนะเขากับรู้สึกขำๆ เออมันไม่มีเวรมันไม่ได้มีอะไรกันมันก็เออมันก็ไม่มีจริงๆแต่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าเออแล้วทําไมทําไมเราจะต้องมาถือสาจังเลยก็หน้าแบบนี้อะไรแบบนี้แล้วมันผ่านเลยนะพอจิตเรามันถือสาขึ้นมาแล้วมันผ่านนะต่อให้คนนั้นพูดเหตุผลมาดียังไงอะไรยังไงอ่ะมันไม่รับเลยนะคราวนี้คิดแต่จะหาเหตุผลโตกลับไปหรือว่าแย้งกลับไปหรือว่าเผลอๆก็เถียงกันนะ่ย มันกลายเป็นอย่างนั้นเลยทันทีซึ่งปัญหาเนี่ยพวกเรายังยังมีอยู่มากพอสมควรเสร็จแล้วมันปากฏว่าอย่างไงปากฏว่าปัญหานี้มีเฉพาะคนใกล้ชิดหรือคนรอบๆตัวแต่คนที่ห่างไกลตัวเราเนี่ยซึ่งบางทีเป็นคนนอกวัดไปเลยนอกสังกัดเราไปเลยบางทีเขาก็มาทำบิกิยาอย่างนี้เหมือนกันนะใช้สำนวนภาษ า, างี้เหมือนกันนะ แต่เราไม่ถือสาเออเรากลไม่โกรธเรากลับใจเย็นได้เออมันพ่ออะไรอ่ะมันพ่ออะไรสนิทเกินไปมึงหรือเปล่าสนิทเกินไปหรือเปล่าอ้าวเขาเหมือนกับพ่อแม่เงี้ยหรือว่าลูกเงี้ยใช่ไหมมีเหมือนกันนะสนิทเกินสนิทเกินไปบางที อะไรที่ทำให้แบบว่าบางทีเราวางคนใกล้ชิดไม่ได้คำตอบมีอยู่แล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วมีมีอยู่คำตอบหนึ่งที่จะมาบอกไปแล้วว่าทำให้วางไม่ได้ฮะอะไรนะขาดเมตานั่นแหะใช่อยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่อะไรไดะที่ทำให้ขาดเมตตาเอานั่นแหละไอ้คำว่ายึดนั่นแหละ คือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยคำว่ายึดนั่นแหละอย่างเช่นพ่อแม่บางทียึดบันนี้ลูกฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ตามความคิดของฉันเพราะฉะนถ้าไม่เป็นไปตามความคิดฉันฉันยอมไม่ได้เพราะนี่แหละไอ้ตัวความเป็นจ เ, เจ้าข้า้าของตัวความยึดอันนี้แหละที่มันเลยทําให้บางทีเอา้าเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยการลําบากก็ลําบากมาด้วยกัน จริงๆแล้วควรจะอะไรควรจะสนิทสนมแล้วควรที่จะแหม่ไม่ถือสาการให้อภัยกันเพราะโอ้โหทากันมากี่ปีต่อกี่ปีอะใช่ั้มแล้วรู้ไหมเขาดีอะไรบ้างรู้โหดีมากกว่าไม่ดีด้วยซ้ำไปแต่ไอความที่ที่ยึดยึดโดยเฉพาะบางทียึดว่านเนี่ย บ, บางคนเนี่ยนะาสมมติว่าอย่างสมณะเนี่ยท่านเป็นสมณะท่านต้อง ท่านต้องควรอย่างยี่สิยึดยึดเนี่ยยึด่ท่านต้องอย่างยี่สิท่านต้องอย่างนั้ส น, อองงนสิยึดแม่อย่างนี้นะเสร็จแล้วพอเรารู้สึกว่าเอ๊ะท่านไม่เป็นอย่างที่อย่างที่เราคิดเอาไว้หรืออย่างที่เรายึดเอาไว้ไม่ชอบใจแล้วเริ่มไม่ชอบใจแล้วคราวเนี้อาจจะเริ่มติเริ่มว่าหรือเริ่มนินทาเกิดขึ้นก็ได้สัมมนาก็สัมมนาเหอะ นะเพราะตอนมันขึ้นแล้วเนี่ยอนะกล้วยหอมก็เหลือกล้วยไข่ก็เล็กลงไปเรื่อยๆเหลือเหลือกล้วยแล็บมือนาง <S <S เล็กลงไปเรื่อยๆเนะพราะฉนั้นระวังไว้ด้วยนะไอจุดประจิบพวกนี้เพราะนั้นอนะตอนที่หนึ่งเนี่ยไอเรื่องเทน้ําใจนะอาตมาคิดว่าเทน้ําใจก็ต้องเทให้เป็นเหมือนกันนะเทไม่เป็นนี่สําลักนะเ<ไ>ทไปแล้ว ไอคนโดนเทใส่นีสำลักเลยเออเทน้ําใจนี่ก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดีแต่คนเราเนี่ยจะรู้จักประมาณรู้จักพอดีเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเนี่มันได้เจอประสบการณ์มันได้เรียนรู้ส่วนใหญ่เนี่ยคุณเทผิดเทพลาดมาล่ะกว่าคุณจะเทได้ลงตัวเทได้พอดีพอเหมาะแต่ต้องฝึกเทต้องฝึกเทน้ําใจฝึกมีเมตานั่นเองคำว่าเทน้ําใจ ฝึกมีเมตตานะแล้วเมตตาแล้วอย่ายืดเป็นเจ้าเขาเจ้าของอย่ายืดพยา ย, ายามเนี่ยย้ำนึกกรเตือนตัวเองบ่อยๆถ้าคุณทําอย่างนี้ได้แม้คุณอยู่กับคนรอบข้างคนรอบข้างก็จะมีความสุขด้วยคุณอ ย, อยู่กับคนอื่นคนอื่นก็มีความสุขด้วยแล้วก็จะเทน้ําใจเป็นไม่เทเวอร์เกินเทจนกระทั่งน้ําท่วมปรากฏว่าเขาจมน้ําตายก็ได้นะ คุณเทน้ําใจเนี่ยคุณเทมากไปเขาจมน้ำตายก็ได้เข้าใจไหมเนี่ยความหมายเนี่ยเมตตาเกินประมาณเนี่ยเกินจนกระทั่งกลายเป็นตามใจกลายเป็นเอาใจกลายเป็นกระทั่งเขาได้ใจหรืออะไรไปเลยก็ได้คุณกลายเป็นเสียไปเลยคนนั้นเสียไปเลยก็ได้เหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกจนเลยเถิดจนเกินไปอะ่ะลูกเนี่ยเสียพ่อพ่อแม่อย่างนี้ก็มี เทน้ําใจไม่เป็นเทเกินเพราะอนนี้ก็ต้องต้องศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยถ้าเรียนรู้อย่างนี้แล้วถึงจะเออตอนนี้จะเทอะไรตอนนี้เทน้ํามะนาวอืมแล้วตอนนี้เทอะไรแตอนนี้เทน้ำหยอตอนนี้เทอะไรตอนนี้เทน้ําส้มออคุณจะรู้เองว่าเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อพอมัน ฝ, ฝึกไปแล้วเนี่ย ม, มันจะเก่งขึ้นมันจะชนานาญขึ้นในการ เทน้ำใจบางคนจะเทล้วขนาไหนควรจะใส่เหยือกนะหรือควรจะใส่แก้วคุณจะชำนาญขึ้นแล้วมันทําให้เกงคุณจะดื่มเองน้ำน้ำใจเนี่ยคุณจะดื่มเองคุณก็ดื่มได้สบายคุณจะเทให้คนอื่นเขาดื่มกินเขาก็เย็นสบายนั่นแหละแล้วอย่างเงี้ยอง์รวมที่อยู่แล้วมันถึงจะเย็นแล้วถึงจะมีความสุขและเป็นความเย็นที่เกิดจากมรรคผลด้วย ไม่ใช่เย็นเพราะอย่างที่บอกคนอื่นยอมมาให้เราเอาอนะอ้าววันนี้คิดว่านากฝากตอนที่หนึ่งเอาไว้เอาไว้มีทั้งหมดสี่ตอนเดี๋ยวยังยังอีก เ, อเดี๋ยวค่อยอโอกาสหน้าค่อยฟังต่อไปแล้วกันวันนี้คงพอท่านี้